ก็เป็นการทรรมดเย็นครั้งแรกนะที่ตาลาจมเร่งเพียรที่สถานปฏิบัติธรรมอะไรเร า, เาพวกเราเป็นกลุ่มแรกนั่นนะที่ได้มาทำวัดเป็นการเริ่มต้นทธรวัดเย็นนะในวันก่อนวันวิสาขาะปีสองพันห้ารอยห้าสแปดถ้าถ้าเทียบกับไปเนาะ 2 6 0พันหกร้อยสามปีนะในวันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านกนะ็เลิกอดอาหารนะมาชันข้าวมธทุปาญาตนะ์ของนางสุชาดานะที่ริมฝั่งแม่น้ำเนอันช า, านาะแล้วก็คงเย็นๆแบบนี้นะมันะ้งท่านก็นะข้ามมาฟังที่ตรงต้นสีมหาโพ มานั่งอธิษฐานจิตนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์อธิษฐานจิตว่าอะไรอธิษฐานว่าแม้หนังเอ็นกระดูกเลื่อนเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามนะตราบใดที่เรายังไม่บรรลุธรรมตราบนั้นเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นเป็นการอธิษฐานที่เรียกว่า ยิ่งใหญ่มากของพระพุทธเจ้าเราเห็นไหมคําอธิษฐานของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่การขอให้ให้เทวดาหรือว่าให้ใครช่วยนะแต่อธิษฐานคือการที่ท่านตั้งใจมั่นว่าท่านจะทําสิ่งนี้แหละนะท่านจะตั้งใจทําความเพียร น, นะเพื่อที่จะบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านตั้งใจตรงนี้อย่างอย่างแน่วแน่นะท่านก็นั่ง ใต้ต้นสีมหาโพนั่นแหละคงเย็นๆแบบนี้เนาะท่านนั่งใต้ต้นสีมหาโพจนทั้งรุ่งเช้าของวันถัดมาก็ก็เข้าใจธรรม ะ, ะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่พวกเราได้ได้ฟังคำสอนของท่าน mm hmm. าเพราะความตั้งใจของของพระพุทธเจ้านะถึงพว ก, พวกเราถึงได้มี เรียกว่าไม่พอมีแสงสว่างทางปัญญาบ้างนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านนำแนวทางแล้วก็กยากนะที่เราจะสามารถค้นพบแสงสว่างตรงนี้ได้นะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับคนที่ที่บุกเบิกทางเนาะบุกเบิกทางนะท่านเห็นว่าทางที่จะพ้นจากความทุกข์คือทางเส้นไหน ท่านก็บุกเบิกนำร่องให้กับพวกเรานะคล้ายๆเหมือนสถานที่ทตรงนี้นะก็เป็นสถานที่ใหม่ก็ต้องมีคนบุกเบิกนะบุกเบิกทางบุกเบิบกบอาคารบุกเบิกนะดูแลสิ่งต่างๆนะพวกเราค่อยได้มาใชนะ้ไม่ใช่พวกเรามาใช้เป็นคนแรกหรอกที่จริงนะมีคนมาบุกเบิกให้พวกเราก่อนพวกเราถึงได้ใช้ ใช้ประโยชน์ไดนะ้ธรรมะก็เหมือนกันนะพวกเรานะพวกเราได้เรียนรู้มาก็เนื่องจากมีพระพุทธเจ้ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะมหยีหลายสิ่งที่ช่วยพวกเรานะจนทํางพวกเราได้มาเกิดในภพนี้ได้ยินได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะเรียกว่ามีหลายส่วนมากที่ที่ช่วยเหลือเรา หรือว่าเกื้อกูลเราให้เราสามารถปฏิบัติทําไดนะ้นั่นถ้าเรามองโดยดีนะถึงพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นกันยานมิตรทั้งนั้นเนาะเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นกันยานมิตรเราชี้ทางนะที่จะพ้นจากความทุกข์โดยเส้นไหนครนะูบาอาจารย์กนะ็ เ, เป็นคนที่ชี้ทางนะต่อจากพระพุทธเจ้าเพราะว่า ท่านก็ได้ได้ทดลองทำนะ่ะตามที่พระเจ้าท่านได้เห็นผลนะระดับใดระดับหนึ่งท่านถึงกล้าที่จะประกาศหรือว่ากล้าที่จะเชิญชวนพวกเราให้สามารถนะเดินตามตรงเส้นนี้ได้พวกเราเองก็คงเช่นกันนะถ้าพวกเราได้ปฏิบัติธรรมพอสมควรนะเราก็คงจะพอเห็นแล้วว่าเออทาแล้วมัน ความทุกข์มันลดน้อยลงเนาะนะหรือว่าความสุขมันสามารถค้นพบได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันของเราซึ่งตรงนี้มันคือค อ, อะไรเพราะว่ามีกัลยาณมิตรหลายส่วนที่ช่วยกันนะเวลาเราภาวนาเนาะเราก็อย่าลืมนะละระลึกถึงบุญคุณของกัลยาณมิตรของเราด้วยนะเริ่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแหละนะเรา ไหว้พระส่วนมนต์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเป็นประเพณีนะแต่ให้ใจเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อไหรที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆนะเมื่อนั้นมันก็มีความสุขใจมีความสงบใจเนะี่ยตามมาด้วยหรือเราระลึก ถ, ถึงคุณพระธรรมที่เป็นอาจจะเป็นเรื่องนามาธรรมนะแต่เป็นนามธรรมที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจเนาะ นะรูปธรรมเราอาจจะสัมผัสได้ด้วยการจับต้องหรือว่าสายตาหรือว่านะอวัยวะนะที่เป็นส่วนรับรู้ภายนอกแต่นามธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ทางใจนะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถไปจักได้ด้วยใจของเรานะเราสามารถพอเราเรียนรู้แล้วเราก็สามารถรู้สึกได้ว่าเออทาเช่นนี้นะ มันเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือว่าธรรเช่นนี้มันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะมันมีเหมือนกันนะธรรมมันก็มีทั้งอธรรมทั้งที่เป็นธรรมจริงๆก็มีนะอธรรมก็ทําให้เกิดความทุกข์นะเกิดความยึดติดเกิดความาโกรธเกิดความเกลียดเกิดสิ่งที่มันทําให้ใจเป็นทุกข์ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่ธรรมะจริงๆเนี่ย มันทําให้มันพ้นจากความทุกข์หรือว่าความทุกข์มันน้อยลงแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเขาทุกข์เลยนะอถ้าเขาสามารถเรียนรู้ทะต่อจากเราได้จริงๆเขาก็จะมีทุกข์คนที่มีปัญญาก็จะมองคนที่ตักเตือนคนที่ชี้นะ่ะ้อบกพร่อมของตัวนะว่าเป็นผู้ที่ชี้ธรรมะชี้แสงสว่างแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญาก็จะคอยแก้ตัวหรือว่า โกรธนะหรือว่าเกลียดคนที่มาตําหนิตัวหรือว่ามาชี้ข้อบกพร่องของตัวนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันนะเราสามารถรับรู้ธรรมะได้ด้วยใจของเราเองแล้วก็นะไม่ใช่พียงแค่ครูบาอาจารย์นะที่ท่านสอนธรรมะให้กับเราเ <s> พ <ượng> ื <S <s ่อนๆเราที่ชี้ข้อบกพร่อง <S <s ก็คือครูของเราคนหนึ่ง หรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักนะถ้าเขาสะท้อนบางอย่างแล้วเราได้เกิดการเรียนรู้ตรงนั้นเขาก็เป็นครูของเราเหมือนกันน ะ, นะคนแก่ก็สะท้อนสัจธรรมความแก่มันไม่สบายร่างกายแบบไหนน ะ, นะร่างกายเป็นแบบไหนเขาก็สะท้อนความจริงให้กับเราเห็นคนเจ็บก็เหมือนกันเขาก็แสดงสัจธรรมนะคนตายก็เหมือนกันเขาก็แสดงสัจธรรมให้เราเห็น นะีถ้าเรามีปัญญานนะเราจะเห็นครูจากหลายๆที่นะทั้งที่เป็นคนก็ดีหรือว่าเป็นสัตว์อื่นๆก็ดีนะเนี่ยพอเราเห็นวันนี้นะเราพยายามน้อมน้อมคือย้อนกลับเข้ามาดูตัวเรานะว่าเราตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะเราประมาทไหมนะในร่างกายนี้เราประมาทไหมในเวลา ที่เรามีนี้นะ่ะบางทีเราก็ประมาทในเวลาคิดว่าเราจะอยู่อีกนานนะถ้าเราน้องกลับมาใส่ตัวเนาะก็เออคนที่เขาอายุเท่าเราเขาตายก็มีเนาะคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ตายไปก็มีนะเขาเจ็บก็มีนะใกล้จะตายแล้วก็มีพอเราน้องกล้ามาใส่ตัวเราก็เตือนตัวนะเตือนว่าอะไรมันจะเห็นว่าอะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทํา อะไรที่มันมีเป็นคุณค่าที่ควรแก่เวลาในการใช้อะไรที่ไม่มีคุณค่าที่เสียเวลาไปใช้เฉยๆแต่มันอาจจะเพลินนะมันอาจจะไม่ไม่มีใครตาหนิอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ก็ทำนะเช่นนั้นแต่ถ้าคนที่มีปัญญาไม่ประมาณเนี่ยก็จะเห็นนะเออคุณค่าตอนนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำนะเหมือนกับ การปฏิบัติธรรมนี่แหละนะสมัยก่อนก็มิคงไม่มีใครชอบปฏิบัติธรรมมันตั้งแต่เกิดแต่เมั้อใช่ไหมมีใครตั้งแต่เกิดมาก็ชอบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะเข้าวัดเข้าวานะส่วนใหญ่มันก็ต้องหลงไปตามกระแสก่อนเ น, ะนาะเป็นเด็กเราก็ยังสนุกสนานเพล่ดเพลินแบบเด็กเป็นวัยรุ่นก็อาจจะหลงนะ ในเพศตรงข้ามในนะความสวยความหล่อความเท่ความหรือว่าโตขึ้นมาก็อาจจะลงในความมั่งความมีหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆอันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นไปตามวัยบ้างนะตามสังคมบ้างแต่พวกเราเองก็คงเห็นนะว่ามันทิ้งพวกนั้นอะ่ะลองย้อนดูดีๆเนาะมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหม เรามีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขจริงๆเหมือนเราก็เห็นคนที่ดูภายนอกดูมีมากกว่าเราทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงเกียรติยศหรือทั้งรูปร่างหน้าตาหรือทั้งอะไรก็แล้วแต่ดูเข้าไปดวงตาเขาจริงๆนะเขามีความสุขไหมนะดูการกระทําเขามีความสุขไหมเราก็เห็นสุขบ้างทุกบ้างเน ะ, น, ะนับประษาอะไรเนาะ กับคนที่ทุกกว่าเร า, นาคนที่ยากจนกว่าเราแต่บางคนเขาก็ดูภายนอกเขาทุกกว่าเรานะแต่บางทีในใจเนี่ยเขามีความสุ ข, ขกว่าเราก็มีดังนั้นที่จริงความสุขความทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกที่เรามีเลยถ้าเราดูดีๆเนาะมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนเป็นสำคัญมากกว่าพอเราเห็นว่าเออมันไม่ใช่ สิ่งภายนอกนั้นไม่ใช่หลักรับประกันในเรื่องความสุขหรือว่าความไม่ทุกข์นะแต่มันก็มีส่วนในการเอื้ออยู่บ้างนะแต่ที่จริงดักสําคัญจริงคือใจนี่เองนะใจนี่คืออะไรไม่ใช่ใจที่แบบเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองตามอายุนะเดี๋ยวมันจะปรงเองพอเจอโลรค น, นานขึ้นบางทีก็ไม่ใช่นะแต่คือใจที่ฝึกดีแล้ว นะย่อมนําความสุขมาให้ใจที่ฝึกดีแล้วมันถึงไม่ทุกข์อันนี้เราก็เลยมาต้องเรียนรู้ใจนะเรียนรู้จากการฝึกหัดใจทําอย่างไรนะใจถึงจะไม่ทุกข์นะทาอย่างไรเราจะไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นผลที่ตามมานะแต่เหตุที่ทําคือทําอย่างไรเราถึงจะเรียนรู้ทุกข์ก่อนนะ เราต้องคั้นแรกก็คือต้องเรียนรู้จับความทุกข์นะเมื่อเราเรียนรู้จับความทุกข์อย่างแจ่มแจ้งผลก็คือความไม่ทุกข์นะหรือว่าทุกข์ลดน้อยลงเนี่ยมันเป็นผลที่ตามมานะเรียนรู้ทุกข์จากไหนนะเรียนรู้ทุกข์จากกายจากใจนี่แหละนะเขาเป็นครูสอนเรื่องความทุกข์นะเรามองคนอื่นเราเห็นสิ่งอื่นก็ อย่างที่ว่าสะท้อนกลับมาดูดูร่างกายดูจิตใจนี้ว่ามันมันรู้สึกอย่างไรนะเช่นนะกลับมาดูร่างกายนะมันทุกข์นะเรานั่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ปวดเมื่อยมันก็อยากจะเปลี่ยนท่านี้ก็คิดว่านั่งสบายแล้วเนาะแตนเปลี่ยนใหม่ใหม่พอไม่กี่นาทีละมันก็ต้องเปลี่ยนละนะ แต่ที่จริงถ้าจะดูละเอียดกว่า น, นั้นนะเราหายใจเข้าอ่ะรู้สึกสบายนะหายเข้าหายใจเข้าไปอีกนานๆเกินนาทีหนึ่งก็ไม่ได้นะมันต้องอยากออกนะหรือบางคนนู่ผ่อนลมหายใจสบายดีผ่อนออกไปจนสุดละมันก็อยากจะหายใจเข้าอ่ะเห็นไหมมันก็ไม่ใช่อะไรนะมันก็แก้ทุกข์ของมันนะ ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกมันก็คือแก้ความทุกข์เปลี่ยนอียบทต่างๆก็คือแก้ทุกข์ถ้าเราดูอดีเนะี่ยร่างกายมันเป็นก้อนทุกข์เนถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันเป็นก้อนทุกขนะ์เนี่ยมันก็ไม่อยากยึดถือร่างกายนี้เนเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะรักษากายนี้ให้มันอยู่นานๆ น, น, นะด้วยการแพทย์ด้วย การออกกำลังกายด้วยอาหารการกินด้วยหรือบางคนก็คาดว่ามาทำสมาธิมาปฏิบัติธรรมแล้ ว, วก็ร่างกายก็จะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะมันไม่ใช่หลักรับประกันนะถ้าเราเห็นจริงๆร่างกายมันเป็นก้อนทุกทำยังไงมันก็ต้องทุกนะเราจะรักษาดีขนาดไหนมันก็ทุกนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับน้ำแข็งน้ำแข็งมันอยู่ในอากาศ ปกติเราออกมาจากออกมาจากตรงแค่แข็งแล้วเราจะประคองรักษามันยังไงมาเจออากาศเมืองไทยมันก็ต้องละลายวันยังคำ่ำร่างกายของเราเองก็เหมือนกันนะเราจะว่าเรารักษาออกกำลังกายดีขนาดไหนเราเชื่อการรักษาแผนอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะรักษาได้นะมันก็ไม่ได้หรอกนะมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะ นั้นถ้าเรามองเห็นร่างกายมันเป็นแบเนีน้เมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายที่ที่ชัดเจนหรือว่าดุนแรงเนี่ยเราก็จะรับได้ทันทีนะอ๋อมันก็เหมือนกับก้อนน้ําแข็งนี่เองเนาะมันเป็นก้อนทุกมันเจอแดดร้อนแผดเผามันก็ต้องละลายเปลี่ยนเป็นน้ําสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไอมันก็เป็นวัฏจักรของเรานะร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่สุดท้ายก็ เดี๋ยวเขาก็แยกธาตุออกไปนะไปประกอบสิ่งใหม่นะเหมือนกับร่างกายเรามันก็แค่เป็นเหมือนของที่เคยใช้ได้นะแต่ต่อไปมันก็จะกลายเป็นของใช้ไม่ได้ก็เหมือนของที่เราเคยใช้ได้นะต่อไปก็เอาไปทิ้งเขาเอาไปแยกเศษเด็กเศษอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปหลอมน้าใดใหม่แล้วก็กลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานะร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะมันก็ ตอนนี้ยังใช้ได้เยอะนะแต่ต่อไปเดี๋ยวบางคนเขาอาจจะเอาหัวใจไปใช้บางคนก็ จ, จ ะ, ะต้นไม้อาจจะเอาเป็นปุ๋ยเอาไปใช้ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเห็นว่านะี่ร่างกายมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จริงๆรินะแต่การที่เรามีร่างกายเนี้ยมันก็ดีนะเพราะเป็นโอกาสดีที่เราจะเอาร่างกายเนี้ยมาปฏิบัติธรรมนะร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นร่างกายที่ที่เรียกว่า เหมาะสมหรือว่าเอื้อที่สุดในการปฏิบัติธรรมนั่นนะถ้าจะว่าแบบจับยากนะเราก็ในสิ่งมีชีวิตนะ่ะก็แบ่งเป็นสามภพภูมิหลักๆนะทุกขติภูมิคือภูมิที่ต้องรับโทษรับทุกข์อย่างมากนะเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เจริญานพะวกนี้โอ้หมันเรียกว่าทุกข์นะทุกข์กว่าโรกมนุษย์เราไม่รู้กี่ กี่ร้านล้านเท่าเนาะเราว่าอากาศ40องศามันร้อนแล้วนะแต่หารู้ไหมว่าในนรกไม่รู้กี่ไม่รู้เที่ยบไม่ถูกกันนะกี่หมื่นกี่ล้านองศาก็ไม่รูนะ้แต่เขาว่ามันทุกแบบไม่ได้พักอะนะมนุษย์เราเองยังมีกลางวันยังมีกลางคืน น, ะน่ะกลางวันว่าร้อนกลางคืนก็ร้อนน้อยหน่อยหรือว่าเย็นสบาย แต่ในภพภูมิที่ต่ำลงไปเนี่ยแทบไม่ได้พักจากความทุกข์เนะก็เลยการจะเรียนรู้ธรรมะก็เลยเป็นสิ่งที่ยากมากนะหรือนอกจากภพภูมิทีนะ่ทุกทรมานน้อยหน่อยก็อาจจะพอทูทูไทนะยเช่นสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดก็สามารถบำเพ็ญบารมีได้นะถ้าอยู่ในที่ดีๆนะอย่างถ้าเราเคยเห็นนะหมาวัดอ่นะ หลายที่เนะี่ยอย่างที่พูหลงนะที่มาเคยอยู่มันแต่ก่อนมันมีหมาเจ้ามีนะมันชอบพอตีตีรักตีคองเนะ่ยเตรียมทําวัดเช้าทําวัดเย็นเนะ่ยมันก็จะขึ้นมาบนศาลามันนั่งอยู่ตรงบันไดมาสวดมนต์มันเหมือนคล้ายๆมาพาขมามมัขึ้นมาสวดมนต์ไม่ขีขึ้นมาสวดมนต์มันก็ขึ้นมาด้วยนะทุกครั้งเลยนะพอสวดเสร็จ บางทีมันก็ลงไปก่อนหรือบางทีมันก็ยังไม่ลงเหมือนมาสวดมนต์ด้วยเหมือนมาฟังธรรมด้วยนะทุกครั้งเลยนะหมาว่ามันก็คงบําเพ็ญบารมีของมันนะนะตายไปก็คงอาจจะได้พบภูมิที่ดีขึ้นเนี่ยมันยังน้อยมันก็อยู่ในวัดมาเป็นสิบปีนะได้ฟังธรรมหรือบางทีตามมาแข็งแรงเยอะมันก็เป็นไกดะพาทัวร์ป่ะถ้าใครเดินขึ้นป่ามันก็ มันก็พาไปอาจจะพบภูมิ น, นี้อาจจะพอพอได้ลืมหูลืมตาบ้างแต่ก็แล้วแต่ว่าถ้ามันไปอยู่เป็นหมาร่านเนื้อก็อาจจะยิ่งบากหนักมากขึ้ น, นอันนี้คือพบภูมิที่เขารับทุกมากพบภูมิที่สุขมากบางทีก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากปฏิบัติธรรมนะไม่ค่อยอยากเรียนรู้ เอาอยาง่ายนะเหมือนเหมือนคนรวยมากๆเนาะสบายมากๆตั้งแต่เด็กเนี่ยจะให้มาทำงานจะให้มาตากแดดจะให้ม า, อ, าอยู่แบบไม่สบายมันก็อยู่ยากใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเคยสะดวกสบายมากถ้าภพภูมิที่เป็นสวรรค์หรือว่าฟมโรกเนี่ยที่สุขสบายมากเนี่ยเขาก็เหมือนพอใจในความสุขนะ ยังติดในความสุขอยู่แต่มนุษย์เราเนี่ยสุขสุขทุกทุกเนี่ยมันดนะีมันเห็นอะไรมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมันเห็นความไม่เที่ยงแท้เมื่อเช้านี้ยังสุขอยู่ดีๆน ะ, อะพอออกไปตากแดดนิดหนึง่งอาจจ ะ, ะร้อนละเหนื่อยละหรือตอนนี้อาจจะนั่งสบายดีๆนะพอยุงมากัดนิดนึง่งอ่ ะ, อะก็ทุกละ แต่สวรรค์อาจจะไม่มียุงมากัดมันไม่มีอะไรมากวนใช่ไมืมแต่มนุษย์เรายังมีมแมลงมากวนบ้างนะ ม, มันก็ทําให้เห็นเออมันไม่มีอะไรที่เราสามารถคาดการได้จริงๆนะที่จริงอะไรที่มันคาดการไม่ได้นะมันดีนะมันดีเพราะมันสอนความจริงถ้าเราคาดการได้จัดการได้เนี่ยเราจะคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมจัดการสิ่งต่างๆได้ เพระนั้นธรรมชาติเนี่ยที่มันจัดการไม่ได้เนี่ยมันดีแต่เราจะอาจจะจัดการบางอย่างเพราะว่าเราต้องทำงานกับคนอื่นต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันก็ต้องจัดการแต่ไอธรรมชาติอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถจัดการได้เนี่ยปล่อยเป็นธรรมชาติเถอะนะอย่าไปจัดการมากแต่เรามาเรียนรู้จากสภาวะความจริงนั่นแหละเขาสอนธรรมะทั้งนั้นนะเนี่ย นั้นพบภูมนุษย์เนี่ยเหมาะในการเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็เรียนรู้ธรรมะจากตัวเองเนี่ยแหละะเราเองก็เหมือนกันเราก็เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองเอาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าอาศัยคําสอนครูบาอาจารยนะ์แล้วก็กลับมาดูตัวเองอย่างที่ว่าเรามาเรียนรู้มาดูก้อนทุกข์ก่อนนะร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์ ให้เราเห็นเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์เนี่ยมันก็จะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้พอเราเห็นร่างกายเป็นก้อนทุกข์หรืออาจจะยังเห็นไม่แจ่มชัดแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราภาวนาอยู่กลมาดูตัวเองอยู่ในร่างกายนี้มันก็มีจิตใจนะมันคล้ายๆเป็นเป็นส่วนประกอบกันมันมีจิตใจอยู่ในร่างกายนี้อาจจะไม่ใช่ว่า ใจไม่สามารถออกไปที่อื่นได้ออกไปได้เหมือนกันนะแต่มันเนื่องด้วยกันนั่แหละเพราะเนื่องว่ามนุษย์เรามีกายมันก็มีใจนะมาเป็นตัวที่บงการกายอีกทีหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับรถยนต์ที่เราเห็นวิ่งได้อะมันมีคนขับมันไม่ใช่รถยนต์มันขับเองอืร่างกายนี้ที่มันทําอะไรก็เหมือนกันก็คือมีจิตใจเป็นคนขับเคลื่อนดัะนั้นจิตใจนี้ มันขับเคลื่อนร่างกายเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูเหมือนเราจะเราจะหาคนขับรถเนี่ยเราต้องเห็นรถก่อนนะเราต้องเห็นว่ารถคันนี้มันเหมือนตำรวจตั้งด่านเนาะเขาไม่ไม่รู้หรอกว่าชื่อคนขับชื่ออะไรแต่ดูว่ารถคันนี้ยทะเบียนอะไรอ่ตั้งด่านจับรถคันนี้นะนะมีผู้ต้องสงสัยขับรถเร็วอาจจะมีอะไรพิรุธก็แล้วแต่นะ ตำรวจเขาจับรถก่อนเมื่อจับรถแล้วค่อยมาตรวจสอบคนว่าทำผิดเรื่องอะไรเนะร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะที่เรามาจับดูการเคลื่อนไหวเนะี่ยดูวิยาบทของร่างกายนะกายานุปนะัสนาเนี่ยคือแบบมาจับดูตัวนี้ก่อนเมื่อจับมาเห็นตัวนะี้ดูการเคลื่อนไหวดูมันบ่อยๆนะ่ะไอคนขับเคลื่อนในจิตใจเนะี่ยมันจะโผล่มาบ่อย มันจะแสดงพิรุธให้เห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดกันนะเราว่าจะดูกายตรงนี้แต่มันก็เผลอาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเนี่ยมันเริ่มออกพิรุธละนะ่มันแสดงอะไรแสดงความจริงว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นนะอ้อในในร่างกายเนี่ยมันมีจิตใจที่คอยคอยสั่งการหรือบางทีมันก็อาจจะไม่สั่งการกายนะแต่จิตใจมันก็ มันไม่มันไม่มันไม่ค่อยดูแลกายนะจิตใจมันก็คิดนั่นคิดนี่นะ่ะคิดแล้วก็กายก็นอยไม่หลับคิดแล้วเดี๋ยวก็กายก็ร้องไห้คิดแล้วก็เครียดนะเพราะจิตใจมันไม่ได้รับการฝึกนี้เองมันก็เลยทาให้ร่างกายมันทุกข์แต่ที่จริงตัวร่างกายก็ตัวจิตใจเองมันก็ทุกข์ของมันโดยสภาวะเลยนะนะ่ะ ไม่ใช่ว่ามันอยากจะทำให้กายมันทุกข์หรอกนะแต่จริงเพราะมันมันก็ยังไม่ค่อยได้รับการฝึกที่ดีมันก็เลยมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่บ่อยๆนะไม่รับการฝึกที่ดีแบบไหนก็คือเช่นเมื่อเจออารมณ์ที่ไม่พอใจก็โกรธนะเมื่อเจอสิ่งที่เย้ายวนใจก็อยากนะหรือเมื่ อ, อไม่มี มันทีก็มีเหตุบ้างไม่มีเหตุบ้างแต่มันก็หลงโดยเฉพาะหงทางความคิดเนี่ยมันหงขึ้นมาบ่อยอันนี้คือใจที่ยังฝึกไม่ดีหรือแม้แต่ใจที่กําลังฝึกอยู่มันก็ยังมีนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะความโกรธความโลภ ค, ความอยากหรือว่าความหงเนี่ยมันก็มีอยู่แต่การฝึกไม่ใช่ว่าเราจะห้ามมันแต่เราฝึกพอมันเผลอออกไป ให้ใจมีสติคอยรู้ทั น, นเราไม่ได้ฝึกที่จะห้ามอะไรเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเรามาเห็นละเช่นเหมือนคล้ายๆตำรวจดูรถคันนี้นะมาก็เปรียบเทียบเราดูรถแล้วเมื่อคนขับมันจะเปิดประตูออกมาเนี่ยพอเราเห็นเขาเปิดประตูออกมาแล้วเราก็ตามจับเขาได้แต่ถ้าเราไม่ดูรถคันนี้คนขับเขาอาจจะแอบเผลอเปิดประตูรถแล้วก็หลบหนีไป อันนี้ก็เหมือนกันที่เรามาดูกายเคลื่อนไหวอ่าบ่อยๆหรือที่จริงในรูปแบบกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเนื่องด้วยกายหรือเนื่องด้วยคําบริกรรมก็แล้วแต่ก็คือว่าให้มันจับตาดูรถคันนี้ไว้ก่อนเมื่อจิตใจมันแว บ, บออกไปคิดหรือว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นแล้วมันก็จะตามจับได้นะ แต่ก็ไม่ใช่แบบเชิงแบบจ้องตะคุบอยู่หน้าหน้าประตูนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะทําแบบเด่นๆฮะคือเหมือนคล้ายๆสมมตินะเราจ้องเขาดูสมมติถ้าเปรียบเทียบเหมือนตํารวจจ้องคนขับอยู่แบบนั้นนะมันไม่กล้าออกมาหรอกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะแต่มันจ้องไว้น่ยมาจะซ่อนตื่นซ่อนเอาบดไว้ในรถไม่ยังไม่แสดงเใจ เราไปจ้องดูจิตใจของเราก็เหมือนกันเราจ้องดูนะมันก็เหมือนข่มอารมณ์ไว้มันก็ไม่แสดงความจริงหเหตนหลักมันอาจจะทําดูเหมือนสงบทําดูเหมือนนิ่งแต่ที่จริงกันที่เราปล่อยให้มันเผอออกมาเราดูแบบเล่นๆถ้าคนที่เขามีความผิดนะเขาก็จะหนีออกมาแล้วก็ดูจิตใจแบบเล่นๆ เ, เหมือนกันอย่าไปบังคับมันเกินไปให้มันเผอออกมาแล้วเราเค่อยรู้ทัน เผลอออกมาแล้วค่อยรู้ทันเผลอออกมาแล้วรู้ทันเนี่ยเรียกว่ามีสตินะ่ะไม่ใช่ขาดสตินะมาจะขาดขาดสติโดยการที่มันปล่อยให้จิตใจมันเผลอออกไปคิดแต่เราเหมือนเหมือนคล้ายๆเอานกไปต่อนะเหมือนคล้ายๆเหมือนเราตกเบ็ดนะแล้วก็ต้องมีอาหารหรือว่ามีใส้เดือนเพื่อไปล่อ อาจจะเสียสละบางอย่างเสียสละไสเดือนเสียสละอาหารปลาแต่เราจะได้ปลากลับมาอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราดูมันเล่นเนะี่ยไม่ไม่ต้องจ้องให้มันแบบให้มันไม่เผลอเหมือนปล่อยให้มันเผลอออกไปแหละเนะี่เหมือนเอาเยื่อไปรอมันนิดนึงแบบไม่ได้ตั้งใจดูเธอจริงจังนะดูเล่นเล่นเฉยเฉยพอมันเผลอออกมาเนี่ยเราได้ตัวการใหญ่นะ คือใจที่มันเผลอไปคิดเนี่ยอันนี้คือมันเหมือนเราตกเบ็ดนะตกปลาได้ปลาตัวโตวขึ้นมาปลาตัวโตวในที่นี้ก็คืออะไรเมื่อไรที่เรารู้เท่าทันจิตที่มันเผลอไปคิดนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเลยถ้าเราไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติธรรมเลยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ในเรื่องที่คิดหรือว่ารู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้น คือเข้าไปอยู่อยู่ในอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อยู่ในความคิดรู้ว่าเราคิดอะไรอันนั้นยังไม่ใช่การเห็นความคิดนะเนี่คนเป็นแบบนี้ที่จริงสัตว์ก็เป็นนะไม่ใช่อะไรหรอกหมามันจะไม่รู้หรออมันไม่ชอบมันก็รู้แต่มันรู้แบบรู้แบบไม่ชอบจริงๆไปด้วยใช่ไหมเราไปแย่มันมันก็อาจจะเห่าอาจจะกัดใช่ไหมเพราะมัน มันไม่ชอบอันนี้ไม่แต่ศาสตร์เดชานเขาก็รู้คนทั่วไปเขาก็เขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเวลาสุขเวลาทุกข์เวลาคิดเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ทันทีนะเป็นทันทีแต่ถ้าเรามีสติเน่ยเราจะเป็นผู้เห็นเห็นว่ามันเป็นจิตมันคิดไปของมันเองนไม่ใช่เราคิด มันเป็นเรื่องที่จิตมันเผลอไปคิดมันจะแยกได้ว่าไอ้ที่มันเผลอออกไปที่มันหลงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตนะพอสติมันรู้ทันมันจิตเดิมแท้ที่มันเป็นปกติจิตที่มันไม่ทุกข์จิตที่มันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอมันก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดก็ส่วนหนึ่ง ไอ้ร่างกายที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันจะเป็นสามส่วนที่มันมันแทบจะอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันนะแต่จริงมันไอ้ตัวเผลอไปคิดเนี่ยมันก่อนนิดหนึ่งแล้วก็พอมันมีสติรู้ทันมันก็เปลี่ยนมานิดหนึ่งแต่จริงมันก็มันจะเห็นสามสถานะนะร่างกายนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ย จิตใจเนี่ยส่วนที่หลงก็ส่วนหนึง่งส่วนที่รู้ก็ส่วนหนึง่งมันเห็นหมนะันน่ะเรียกว่ามันได้ได้รักในการภาวนานะเราเจริญสตินะเพื่อจะเห็นตรงเนี้ยเพื่อเรามาเรียนรู้ว่าไอตัวที่หลอกนะตัวที่หลอกให้สุขให้ทุกข์ให้ดีใจเสียใจเนี่ยก็คือการที่ขาดสติแล้วก็ไม่รู้ทันเข้าไปเป็นกับความสุขเข้าไปเป็นกับความทุกข์ เข้าไปเป็นกับความคิดนี่เองแต่พอมีสติรู้ทันนะอ๋อเห็นละทางที่จะออกมาดูมันจะเฉยเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเนี่ยการที่เราดูกายนะเคลื่อนไหวเนะ่มันจะช่วยให้เราเห็นใจที่มันเผลอไปคิดแบบนี้แหละมันจะได้หลักในการภาวนาเ้วก็ทาแบบนะี้บ่อยๆจะไปแต่ไม่ต้องแต่ไม่ใช่ว่าทำด้วยความอยาก อยากจะเป็นหรือว่าอยากจะได้นะหรืออยากจะแบบไม่อยากทุกข์แล้วนะไม่ได้ทำแบบนั้นนะนะแต่จริงเราก็ทำเหตุให้มันอย่างที่ว่าทำเล่นๆทำสบายๆนะแต่ทำเรื่อยๆนะหรือถ้าจะวางใจสักหน่อยก็เหมือนทำแบบถวายนะทำถวายให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือถวายให้กับพ่อแม่เราก็ได้นะคนที่มีพระคุณกับเราพอเราเหมือนคล้ายๆทำไม่ไม่เอาอะ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยมันจะรู้สึกได้ตลอดนะแต่ถ้าเราเร้ทำาเมื่อไหร่เราจะได้เนี่ยมันเหมือนเราก็มีความคาดหวังกับตัวเองนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำวันนี้ก็เหมือนถวายเป็นให้กับพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ของเราครบาอาจารย์ทำแล้วเหมือนก็ให้ให้ตลอดเลยนะมันสบาย แต่ถ้าเราทำแล้วเหมือนคิดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอานะคิดว่าตัวเองต้องเป็นนั่นเป็นนี่รู้นั่นรู้นี่ได้นั้นได้นี่เนะ่ะมันจะทำแล้วก็มันจะหนักมันจะเครียดนะส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆมันมันก็จะเป็นทานองนั้นแหละนะเพราะที่จริงถ้าทำด้วยความอยากมันก็จะไม่ได้นะแต่ถ้าทำด้วยความไม่อยากนะไม่อยากได้แอก เราถบายกับพ่พุดธพ่อธรรมพ่อสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเน่ยแต่จริงกลับได้นะได้แบบไม่อยากไม่อยากได้เนะี่ยกลับได้อยากได้กลับไม่ได้นะี่มันเป็นอนยะ่างนั้นเหมือนเราทรรําเพื่อสละอืาสละน ะ, ะนะจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามสละออกไปอนะ่สระก็คือการที่ไม่ไม่ยึดไม่ถือนั่นแหละเพียงแค่รู้นะ การปฏิบัติปฏิบัติทำเนี่ยทำแล้วก็แบบไม่แต่ตัวรู้นะรู้แล้วก็ทิ้งเรารู้เมื่อกี้คลิกมือรู้แล้วนะก็รู้ใหม่ถ้าเราไม่ทิ้งตัวรู้เก่ามันก็ยากที่จะรู้ตัวรู้ใหม่นะหรือว่าหลงไปเมื่อกี้ก็ช่างหัวมันก็วางไปก็รู้ใหม่หรือว่ารู้เมื่อกี้ก็วางก็ทิ้งไม่ไปน ทําแบบสระทําแบบไม่เอานะทําแบบไม่อยากได้อะไรนะแต่ทาเรื่อยๆทําเล่นๆนะดูไปบ่อยพอเราทําแบบนี้บ่อยๆนะมันก็จะสัมผัสได้ด้วยใจอย่างที่บอกว่าบางทีธรรมะมันเป็นเรื่องของนามธรรมเนาะแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจเมื่อสัมผัสได้ด้วยใจบางทีมันก็ออกมาเป็นนะลูกประธรรมด้วยแหละนะ เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกิริยาท่าทางของเราเองหรือถ้าเราดูผู้อื่นเราก็จะดูว่าเออคนนี้เขาเออเขาดูเปลี่ยนแปลงนในเชิงทางที่ดีขึ้นเนาะเลยนยะเราก็จะเห็นได้มันก็ออกมาทางรูปประทับด้วยก็มีเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านทําความเพียรในค่ําคืนนี้นะเมื่อสองพัน หกร้อยสามปีนะก็จะเป็นการเนี่ยดูกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละจนทั่งเห็นความจริงนะว่าแม้แต่กายหรือเวทนาหรือจิตหรือแม้แต่ธรรมเนี่ยล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันก็เลยเกิดความนะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นนะก็คืน นะคือสิ่งที่เป็นก้อนทุกข์เนี่ยให้กับธรรมชาตินะแล้วการทำเช่นนั้นแหละก็คือทางที่ออกจากความทุกขนะนะ์เมื่อเราเรียนรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเข็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเราถึงจะคลายถึงจะวางได้เนะีนะ่ยเราก็ต้องศึกษาไปแบบนี้นะนะศึกษาไปเรื่อ ย, อยแต่อย่าไปคาดวางังคาดคันคาดวางังตัวเองมากเกินไปนะให้เราพยายามเหมือน ทำเหตุนะเหมือนเรามาสลาตอนนี้ยนะเหมือนมาเร่งความเพียรนนะจงเร่งเพียรนนะเร่งความเพียรของเรานะให้มันมากที่สุดนะนะแต่คําว่าเร่งเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่รีบนะ่ะเหมือนเราถ้าทางโงลกเร่งเหมือนต้องแบบเร่งเดินก็ต้องเดินเร็วๆแบบนี้นะเร่งทํางานก็ต้องแบบต้องรีบทํางานนะหลายอย่างพร้อมๆกันนะ่ะ แต่ ค, คำว่าเร่งความเพียรเนี่ยคือคือไม่ขี้เกียจขี้ค้า น, นไม่ขี้เกียจขี้ค้า น, นหรือว่าไม่ไม่หลงไปกับสิ่งย่ยยว น, นทั้งภายนอกทั้งภายในเนา ะ, นะภายนอกก็มีหลายอย่างนะบางทีเนี่ยไม่แต่ตามองเห็นรูปหมูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้น ริมรถนะ่ะกายสัมผัสอันนี้คือสิ่งย่ยยนภายนอกนะหรือแม้แต่ใจที่มันคิดคิดดีๆโอ้มันน่าคิดเนาะ่ะ่รเนี้ยมันก็คิดปรุงแต่งโครงการนั่นโครงการนี่นะ่ะมันก็ปรุงแต่งบางทีไม่เป็นโครงการแต่มันก็อาจจะย้อนคิดเรื่องดีๆแล้วก็สุขสบายก็คิดนะหรือบางทีถ้าไม่คิดก็คื อ, อย่างไี้โอ้มดมพัดสบายนะชอบไหม <c oughs> ชอบก็รู้ว่าชอบนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องปฏิเสธว่าไม่ชอบนะแต่แค่รู้ทันมันว่าตอนนี้ใจมันรู้สึกแบบไหนพอเรารู้ทันมันก็จะเป็นผู้เห็นแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชอบนะเป็นผู้พอใจมันก็ยังมีความสุขใจเหมือนกันนะแต่เป็นความสุขจากการที่เหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเราอาบน้าเสร็จแล้วนะ อาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวแต่งตัวเรียบร้อยเนะี่ยมันก็มันก็ยังมีความสดชื่นแล้วมันก็เออไปทำอย่างอื่นได้แต่ถ้าเรากาลังอาบน้ำอยู่ตัวเปียกอยู่ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้นะก็อยู่ในใ น, ในห้องน้ำใช่ไหมไอความสุขที่มันเราไปอินกับมันก็เหมือนกันนะมันก็เป็นสุขแบบแช่นะสุขแบบสบายแบบแช่แต่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเหมือนเราอาบน้าในห้องน้ามันก็มันก็แช่อยู่บานทะ สบายก็ใช่เละแต่ทำอย่างอื่นได้เปล่าก็ทําอย่างอื่นไม่ได้นะแต่เราสุขแบบอาบน้ําเสร็จนะอาบน้ําเสร็จเนื้อตัวสะอาดสบายสงบแล้วเอาร่างกายเนี่ยมาทําอย่างอื่นต่อได้เนื้อการภาวนาก็เหมือนกันนะบางทีก็ผ่านความทุกข์บางทีก็ผ่านความสุขบางทีก็ผ่านดงความรู้นะบางทีก็ผ่านไอ้ดง เป็นบุญนะอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้อยากจะบอกพ่อบอกแม่อยากจะทำอะไรให้กับวัดกับวาในสารพัดต่างอันนี้คือมันเป็นอารมณ์ของการภาวนาเนาะอารมณ์การภาวนาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ความง่วงนอนความคิดฟุ้งซ่านความดังเลสงสัยจีวะทะสารพัดหรือบางทีก็เป็นเนะี่ยความปิติ เกิดขึ้นมาทําแล้วสบายใจทําแล้วตัวเบาตัวลอยนะหรือบางทีก็คิดถึงบุญคุณคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคนนั้นคนนี้อยากจะไปช่วยอยากจะสอนอยากจะบอกนะตัวเองก็ดื่มตัวเองนะไปไปบอกคนอื่นไปสอนคนอื่นนะไม่รู้เขาอยากจะรู้หรือเปล่านะไม่ดูตามมาต่เอเลยก็มีหรือบางทีเมื่อเกิดวิปัสสนาดนะูนั่นดูนี่เข้าใจนั่นเข้าใจนี่ แต่ก็ยังติดในความรู้อยู่นะยังพอใจในความรู้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเป็นอารมณ์หนึ่งนะก็พูดให้ฟังเฉยๆนะบางทีบางคนก็เจอมากบางคนก็เจอน้อยบางคนก็ติดนานบางคนก็ติดไม่นานไอคนนี้ให้เราดูนะอย่างที่บอกว่ารู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านทุกอย่างนะแต่หลวงพ่ อ, ขอเขียนก็จะบอกวิธีแก้ที่ ที่เด็กขาหรือว่าชัดเจนถ้าติดถ้าเราติดอารมณ์พวกนั้นนะกลับมารู้สึกฐานกายให้มันชัดพอกลับมารู้สึกฐานกายชัด in ม, มันจะกลับมาอยู่ปัจจุบันเพราะอารมณ์พวกนั้นส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่ น, นความคิดความสงสัยหรือว่าปีติความสุขหรือว่าความรู้นั่นนี่นี่ส่วนใหญ่มันจะหลุดไปอยู่ในสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบแต่การกลับมากลับฐานกายไม่บ่อยเนะี่กลับมาฐานกายมันจะทำํำวอามันคล้า ย, ายมันจืดตรงนั้นไปเนี่ยมันจืดตรงนั้นไปพอกลับมันฐานกายมันจะเห็นเออที่เราดลงไปนะหลงไปติดบุญนะลงไปติดอความรู้ น, น, นี่อนะไรเนี้ยมันจะเห็นอ๋อเราพ อ, เ, อเราออกมาได้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราหลงไปเนี่เมื่อกี้เราหลงไป กันกลับมาปรบทานกายบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบรู้กายร้อยเปอร์เซ็นชัดๆแบบนี้นะก็แค่รู้ไว้เป็นพื้นไว้นะแต่อย่าลืมมันอย่าลืมมันนะให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็คอยได้แล้วก็รูนะ้มันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจก็คอยรู้ทันมันนะมันก็ดีทั้งนั้นแหละมันสอนธรรมะเราทั้งนั้นเนี่ยแหละคือคือการทำความเพียรเนานะนะ การที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อนเนื่องบางคนอาจจะสามวันบางคนอาจจะห้าหก 5, วันนะก็ถือว่าเราได้มาเร่งความเพียรของเรานะเพราะว่าบางทีในทางโลกของเราทำงานมันก็ดื่มตัวได้ง่ายเจอสิ่งกระทบเยอะก็เร่งไม่็่อยขึ้นนะเหมือนรถนะใช้งานประจำไม่ได้พักเนีย่ยมันก็ร้อนนะอ่า อ, อันนี้ก็เหมือน เราได้มาพักร้อนนะได้มาเล่นความเพียรของเรานะมันก็เหมือนให้มันต่อเนื่องนะงานการอย่างอื่นก็น้อยลงนะแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองเลยนะอย่าไปฟุ้งซ่านกับโทรศัพท์มากนักนะอย่าไปฟุ้งซ่านกับสิ่งรอบข้างมากนักนะก็มองดูคนอื่นพนอะย้อนกลับมาดูตัวเรามาทำความเพียรตัวเรานะ ทำเหมือนคล้ายๆเหมือนเก็บอารมณ์ภายในก็ได้เนาะอย่างที่วัดตอนนี้ก็เก็บอารมณ์เข้มสี่สิบวันนะต่างคนก็ต่างปฏิบัติปฏิบัติตัวเองนะดูแลตัวเองนะเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเราสามารถเก็บอารมณ์ตัวเองได้ตลอดนะก็คือเหมือนไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกนะคําว่าเก็บอารมณ์นี่คือบางคนไม่เก็บอรมคือฟุ้งคลังคําพูดบางคนพูดมากก็พูดเยอะ บางคนชอบดูชอบอ่านหรือบางคนก็พุ้งไปตามความคิดอันนี้คือไม่รู้จะเก็บอารมณ์นะแต่เก็บอารมณ์ไม่ใช่การเก็บกฎนะนะเก็บอารมณ์คือเราไม่ฟุ้งซ่านข้าไปภางนอกไม่ทำการงานที่ไม่จำเป็นไม่พูดคุยในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่มองในสิ่งที่นะไม่ควรมองอะไรประมาณนะั้นแต่เราเอาเวลากลับมามองดูภายในกลับมาทำความเพียรภายในนะ่ะ นี่คือทําเรื่อยๆนะทําเรื่อยๆแต่บางทีพอผู้เก็บอารมณ์บางคนพอทํานานๆก็เครียดนะเพราะอย่างที่ว่าบางทีมันจะเอานะมันอยากจะได้แต่เราถ้าเราทําเรื่อยๆทําเลืน่นๆอย่างที่ว่าไม่ได้ทําเพื่อจะเอาเข้าตัวนะทําเพื่อสะระทำเพื่อปล่อยทําเพื่อวางเนะีนะ่ยเราทําแบบนีน้มันจะทําได้เรื่อยๆสบายๆทําเลื่อยๆหลงไป ก็ช่างหมอนมันหลงแล้วก็รู้ว่ามันหลงดูแล้วก็วางมันก็รู้ใหม่นะเพราะแม้แต่ตัวรู้ถ้าเราไปยึดมันนะมันก็กลายเป็นเหมือนมันก็เสียอยู่เหมือนกับนมนะนมเราไปเก็บไว้มันก็กลายเป็นนมเปี้ยวนะมันก็ไม่ใช่นมนะปกติธรรมดาละมันก็เสียเหมือนกันนะอย่างบางทีเรารู้นะแล้วเราไม่อยากให้มันหลงเลยนะ มันจะกลายเป็นธรรมะหรือกลายเป็นเพ่งเกินไปเนาะนั้นรู้แล้วก็บางหลวงพ่อเทียนถ้าก็เลยมีเทคนิคน่ะทำเป็นจังหวะรู้รู้รู้เมื่อกี้คิดก็ช่างมันอ่ะรู้เหมือนกันรู้เมื่อก็เลยกลายเป็นรู้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะไอ้ที่เผลอไปแล้วแล้วก็รู้อ่ก็ถูกเหมือนกันอันเนี้ยแหละ เราก็ทําแบบนี้นะทาความเพียรัปตรงนี้นะเรามีเวลากี่วันก็ทําเต็มที่แต่จริงมันถ้าจะดีก็คือทําทั้งชีวิตของเราเนี่ยแหละจะอยู่ที่นี่ก็เร่งความเพียรจะอยู่ที่บ้านที่ทางานหรือที่ท้องถนนที่ตลาดนะเป็นเวลาที่เราสามารถดูกายดูใจเราได้เทกานั้นนะ ทุกที่นะราสามารถฝึกหัดได้นะในโลกใบนี้นะเราสามารถกลับมาดูกายดูใจได้นะถ้าดูแล้วถ้ามันเห็นจริงๆนะความทุกข์มันย่อมลดน้อยลงไปให้เราสัมผัสได้แน่นอนนะดูแล้วเนี่ยความโกรธไม่มีที่ตั้งนะความโลภไม่มีที่ตั้งแต่ความหลงเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะนะไอ้หลงยับยาวอาจจะ นะละไปได้แต่ลงละเอียดเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะนะก็ถือว่านะก็เทศเปิดอบรมนะในเย็นวันนี้นะก็จะให้พวกเราได้ทำความเพียรกันต่อแต่กาบพระพร้อมกันก่อนแล้วกันนะ